บทสรุปหลักการพื้นฐานแห่งการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าว่าความสุขลุกถึงได้ด้วยความสุข <mind> <saying> เพื่อให้เห็นทัศนคติของพระพุทธศาสนาต่อความสุขชัดเจนยิ่งขึ้นขอย้อนกลับไปขยายข้อความที่อ้างไว้ตอนต้นบทความนี้ว่าจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาพึงบรรลุได้ด้วยความสุข หรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุขไม่ใช่บรรลุ ด, ด้วยความทุกข์หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์ครั้งหนึ่งโพธิราชากุมารกราบทูลแสดงทัศนะแด่พระพุทธเจ้าและมีพุทธดำรัสดังความต่อไปนี้โพธิราชากุมารทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญม่อมชั้นมีความเห็นอย่างนี้ว่าความสุขจะพึงบรรลุ ด, ด้วยความสุขหาได้ไหม ความสุขจะพึงบรรลุได้ก็ด้วยความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูกระราชกุมารก่อนแต่สำโธิเมื่อเป็นโธิสัตว์อย่างมิได้ตรัสรู้แม้เราก็ได้มีความคิดดังนี้ว่าความสุขจะพึงบรรลุด้วยความสุขหาได้ไม่ความสุขจะพึงบรรลุได้ก็ด้วยความทุกข์ พระพุทธเจ้าตรัสเล่าต่อไปว่าด้วยพระดําริดังกล่าวนี้ต่อมาพระองค์ก็ได้เสด็จออกบรรพชาทรงศึกษาในสํานักของอาลาระดาบทกาลามโคดและอุท ธ, ธกดาบทรามบุตรจนจบความรู้ของสํานักทั้งสองแล้วเสด็จต่อไปจนถึงอุรุเวลาเสนานิคมแล้วทรงบาเพ็ญทุกขะกิริยาทรมานพระองค์ด้วยวิธีการต่างๆจนในที่สุด ทรงอดอาหารจนพระวรกายสูบผอมอย่างยิ่งดังบาลีที่ตรัสเล่าว้ววาเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยนั่นแหละอวัยวะน้อยใหญ่ของเราจึงกลายเป็นเหมือนเถาวันแปสิบข้อหรือเหมือนเถาวันข้อดำแตะพภกของเราเป็นเสมือนเท้าอูดกระดูกสันหลังผุดระกะเหมือนเถาวัตนาวลีซี่โครงขึ้นนูนเป็นร่อง ดังกรอนสาลาเก่าที่เครื่องมุงหล่นโซมอยู่ดวงตาบุ๋มลึกเข้าไปในเบ้าตาประหนึ่งดวงดาวปรากฏในบ่อน้ำลึกผิวศีรษะที่รับสัมผัสอยู่ก็เหี่ยวแห้งดุดดังผลน้ำเต้าสดที่ตัดมาทั้งสดสดถูกลมและแดดกระทบเหี่ยวแห้งไปฉะนั้นเราคิดว่าจะลูบผิวหนังท้องก็จับถูกกระดูกสันหลังคิดว่าจะลูบสันหลัง ก็จับถูกหนังท้องหนังท้องกับกระดูกสันหลังติดถึงกันเมื่อคิดว่าจะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ส่วนเสหลล้มลงณที่นั้นเองเมื่อจะให้กายนี้มีความสบายเอามือรูปตัวขนทั้งหลายมีรากเน่าก็หลุดร่วงจากกายในที่สุดทรงพระดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์ทั้งหลาย เหล่าหนึ่งเหล่าใดในอดีตการในอนาคตในปัจจุบันได้เสวยทุกเวทนาอันเผ็ดร้อนแรงกล้าที่เกิดเพราะความเพียรอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่ยิ่งไปกว่านี้และด้วยทุกข ร, ะระกิริยาอันเผ็ดร้อนนี้เราก็หาบรรลุญาณทัศนวิเศษที่สามารถทำให้คนเป็นอริยะซึ่งเหนือกว่าธรรมของมนุษย์สามัญได้ไม่มักคาเพื่อความตรัสรู้ คงจะมีเป็นอย่างอื่นกระมังหนอดูกระราชกุมารเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเรายังรู้ประจักษ์ใจอยู่ในคราวงานวัปมงคลของเท้าสากยะผู้เป็นพระบิดาเรานั่งอยู่ในร่มไม้ว่าเย็นสบายสงดจากกามสงดจากอากุศลธรรมทั้งหลายมลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารณ์มีปีติและสุข เกิดแต่วิเวกอยู่นี่กระมังหนอจะพึงเป็นมรคาเพื่อความตรัสรู้เรานั้นได้มีความรู้สึกชัดแล่นตามสติว่านี่แหละคือมรคาเพื่อความตรัสรู้เรานั้นได้มีความคิดว่าเรากลัวไหมต่อความสุขโดยไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอกุสรธรรมทั้งหลายและได้มีความคิดต่อไปว่าเราไม่กลัวต่อความสุขโดยไม่ต้องมีกาม ไม่ต้องมีอากุลธรรมทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าการที่บุคคลผู้มีร่างกายผ่ายผอมเหลือเกินอย่างนี้จะบรรลุความสุขอย่างนั้นไม่ใช่จะทำได้ง่ายเลยถ้ากะไรเราพึงบริโภคอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดเถิดต่อจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้ทรงเสวยอาหารหยาบจนมีกำลังขึ้นแล้ว ทรงบำเพ็ญฌานจนมรรลุจตุตถฌานและได้ตดรัสรูปฏิปทาเพื่อมรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนาเป็นข้อปฏิบัติที่มีความสุขดังที่กล่าวมานี้แต่ก็มีข้อต้องระวังคือผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตนไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นครอบงาจิตใจของตนยังมีจิตใจเป็นอิสระสามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูงต่อไป จนบรรลุความเป็นอิสระหลุดพ้นโดยสมบูรณ์ซึ่งเมื่อบรุจุดหมายนั่นแล้วก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้วโดยที่ความสุขนั้นไม่มีโอกาสครอบงำจิตใจที่จะทำให้ติดพันหลงไหลและก่อปัญหายัางอื่นขึ้นได้เลยในบางกรณีที่เป็นการแสดงความหมายเชิงเปรียบเทียบหรือยักเยืงความเชิงภาษาพระพุทธเจ้าถึงกับทรงเรียกการหมั่นบำเพ็ญฌานสี่ ว่าเป็นสุขขันิกาโยก ค, คือความหมกมุ่นในความสุขชนิดหนึ่งแต่เป็นการหมกมุ่นความสุขชนิดที่ดีงามเป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อความตรัสรู้เหตุที่ตรัสดังนั้นเพราะตามปกตินักบวชในสมัยพุทธกาลนิยมบําเพ็ญตบะและข้อปฏิบัติต่างๆที่บีบรัดเข้มงวดทรมานตนซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วทาให้รู้สึกว่าการบาเพ็ญสมณธรรมในพุทธศาสนา ผ่อนเบาสบายเป็นอย่างมากนักบวชในลัทธิศาสนาอื่นจึงมักยกเป็นข้อตำหนิติเตียนว่าพระสงค์ในพุทธศาสนาเป็นอยู่ย่อหย่อนสุขสบายดังตัวอย่างพุทธพจน์ที่ตรัสกับสามเณรจุนทะในคราวหนึ่งว่าดูกระจุนทะข้อนี้เป็นฐานะซึ่งเป็นไปได้คือการที่อัญญะเดียรถีปริพาชกจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า พวกพระสมณะสากยบุตรทั้งหลายเป็นผู้ฝักใฝ่ประกอบตนหมกมุ่นอยู่ในความสุขเธอพึงพูดกับอัญญาเดรถีปริภาชกที่กล่าวอย่างนั้นดังนี้ว่าสุขคาลิกานุโยคหรือการประกอบตัวให้พัวพันหรือหมกมุ่นในความสุขชนิดไหนล่ะท่านเพราะว่าสุขคาลิกานุโยคมีมากมายหลายอย่างหลายประการดูกระจุนทสุขคลิกานุโยคสี่อย่างต่อไปนี้ เป็นของสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนเป็นอนาระยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อนิพิทาเพื่อวิราคะเพื่อนิโรดเพื่อความสงบเพื่ออภิญญาเพื่อความตัดสู้เพื่อนิพาน4อย่างไหนกล่าวคือคนพานบางคนในโลกนี้ฆ่าสัตว์และทําตนให้เป็นสุข เอื้บอิ่มบางคนถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้แล้วทำตนให้เป็นสุขเอิ้บอิ่มบางคนพูดเท็จแล้วทำตนให้เป็นสุขเอื้บอิ่มบางคนพรั่งพร้อมเต็มที่บำรุงบำเรอตนด้วยกามาคุณทั้งห้าดูกรจุนทะสุขาลิการนโยคสี่อย่างต่อไปนี้ย่อมเป็นไปเพื่อนิพิทาเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธเพื่อความสงบเพื่ออภิญญา เพื่อความตัดสู้เพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวสี่อย่างไหนกล่าวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงังจากกามสงังจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปถมฌานทุติยฌานตติยฌานจะตุ ต, ติฌาน